เมื่อชัยชนะของอัลลอ์และพิชิตได้มาถึงแล้วและเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในาศาสนาของอัลลอ์เป็นหมู่มู่ดังนั้นจงแทะสองสรดุดีด้วยการสันเสริญพระผู้มิบาลของเจ้า และขอพยโทษต่อพระรงองค์เถิดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ